จะเห็นเหมือนอนตามารอเปล่าเนะว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยสวยงามมากนะเป็นคืนที่สวยงามคืนหนึ่งบนฟ้าก็มีแสงระยิบประยับนะของดวงดาวาเต็มท้องฟ้าเลยข้างล่างเนี่ยรอบๆสาราไก่หน้ากุฏิหลวงพ่อนะก็ วาววับนะแสงเรืองนะด้วยเทียนนะที่พวกเราจุดในขณะที่เดินจงกรมหรือว่าสร้างจังหวะตลอดทั้งคืนที่จริงไม่ได้สว่างด้วยแสงเทียนเท่านั้นนะถ้าพวกเราสามารถทียอย่างเห็น จิตของแต่ละคนก็คงจะเห็นใจที่สว่างนะบางคนอาจจะจิตบางคนอาจจะสว่างระระยับบางคนอาจจะสว่างเรืองนะสว่างด้วยความรู้สึกตัวนะบางครั้งนะความสว่างนั้นก็อาจจะดูแผ่วไปหน่อยนะ เพราะว่าความง่วงเนี่ยมันเข้ามาครอบงำคง ค, คล้ายๆกับปเปลวเทียนที่บางครั้งก็เหมือนกับจะมอดเพราะว่าลมมาพัดนะแต่ว่าปเปลวเทียนก็สู้นะสู้แรงลมก็ไม่ยอมดับนะก็ยังสว่างนะจนหาข้ามคืนได้ จนสิ้นสุดการปฏิบัติข้ามคืนก็มันกระจของหลายคนนะที่บางครั้งอาจจะเหมือนกับความรู้ตัวมันจะดับบุบไปเพราะว่าความง่วงความหลงเข้ามาแทนที่แต่ว่าก็สู้นะแล้วก็สามารถที่จะ ประคองความรู้ตัวนะจนกระทั่งมาถึงนาทีนี้นะก็เป็นการว่าได้รวมกันนะทาภารกิจอาจริยะบูชาถวายหลวงพ่อนะด้วยการปฏิบัตินะข้ามคืนอันนี้เป็นการทำบุญที่มีอ น, นิสงส์งมากนะปกติเวลาครบรอบวันตายครบรอบปีการตายของ ผู้คนจนจะเช่นเช่นพ่อแมนะ่หรือแม้แต่พระสงฆ์ก็เจ้าครบปีที่สูญเสียก็มักจะมีธรมเนียมก็คือการทำบุญเลี้ยงพระนะแต่อันนั้นเนี่ยนะมันมีอานิสงส์น้อยกว่านะน้อยกว่าสิ่งที่เราทำนะ เมื่อคืนที่ผ่านมานะการทำบุญเลี้ยงพระนะก็ก็ดีอยู่หรอกนะแต่ว่าไม่เกิดอธิสงนะในการนะปลุกใจให้ตื่นให้สว่างนะแล้วก็เป็นการเพิ่มพร ะ, ะห้าอินทรีย์ห้าให้งอกงามขึ้นในใจของเรา นะถ้าว่าเราหันมาให้ความสำคัญนะกับการทำบุญแบบนี้นะด้วยการปฏิบัติบูบชาให้กับผู้มีพระคุณของเราไม่เพียงแต่การถวายอาหารหรือเลี้ยงทำบุญเลี้ยงพระนะก็เชื่อว่าจะเกิดความเจริญ ง, งอกงามในจิตใจของผู้ผู้ที่อยู่เบื้องหลัง เอว่าหลายคนเนี่ยก็คงจะไม่นึกว่าตัวเองเนี่ยจะสามารถปฏิบัติข้ามคืนมาได้นะเพราะว่าอาจจะไม่เคยมาก่อนหรือว่าไม่มั่นใจว่าจะสามารถเอาชนะความง่วงเอาชนะอุปสรรคได้หรือเปล่าแต่ว่าหลายคนก็ทำได้นะอันนี้ก็ แสดงให้เห็นว่านะเรามีศักยภาพนะมีความสามารถนะที่จะทวนกระแสจะเรียกว่า ก, กระแสกิเลสหรือกระแสความเคยชินก็แล้วแต่บ่อยครั้งเนี่ยเราก็ยอมนะปล่อยใจไปตามความเคยชินแต่ก่อนทำไม่ได้แล้วก็คิดว่า วันนี้ก็ยังทำไม่ได้นะหรือไม่คิดที่จะทำเพราะว่ามีความเชื่อว่าทำไม่ได้หรอกนะแต่ว่าคนเราเนี่ยนะเมื่อวานนี้ทำไม่ได้ไม่ได้แปลว่าวันนี้จะทำไม่ได้เหมือนกันนะพวกเราเคยสังเกตมาหรืออาจจะเคยได้ยินเรื่องราวของช้างไหมช้างตัวใหญ่ๆเนี่ยที่เขาถูกล่าไ้ด้วย เชือกหรือว่าโซ่เส้เล็กๆหรือและเชือกและโซ่นั้นเนี่ยก็ไปผูกไว้กับหมุดหมุดก็เป็นหมุดเล็กๆช้างตัวใหญ่นะเพียงแค่มันเตะขาหรือสะบัดเนี่ยเชือกก็จะหลุดจากหมุดหรือไม่ก็เชือกก็ขาดได้ซ้ําแต่ทําไมเชือกเส้นเล็กๆนะหมุดเล็กๆนี่สามารถที่จะตรึง ช้างไว้ได้อยู่ก็เพราะว่าช้างมันถูกตรึงอย่างนั้นเนี่ยตั้งแต่เล็กตั้งแต่มันยังเด็กนะอายุไม่กี่เดือนมันก็ถูกล่ามไว้ด้วยเชือกด้วยโซ่เล็กๆผูกไว้กับหมุดเล็กๆนะแล้วมันก็โตขึ้นโตขึ้นจนมันเป็นช้างที่ใหญ่แต่มันก็ยังคิดเหมือนเดิมว่ามัน ไม่สามารถจะทำอะไรกับเชือกหรือหมุดนี้ได้เพราะตอนที่มันเป็นเด็กมันก็พยายามเตะมันก็พยายามที่จะดึงเชือกก็ไม่หลุดหมุดก็ไม่หลุดนะมันเคยทำตอนเด็กแล้วไม่สำเร็จแล้วมันก็คิดว่าถึงวันนี้นะมันก็ทำไม่ได้ทั้งที่จริงๆตัวมันโตขึ้นเยอะเลยนะตัวมันใหญ่แต่มันก็ยัง คิดเหมือนเดิมนะว่าฉันทําไม่ได้หรอกนะนะช้างมันลืมไปนะว่าตัวมันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมมันไม่ใช่เหมือนเมื่อสามสี่ปีก่อนนะคนเราก็เหมือนกันนะหลายคนเนี่ยทั้งที่มีศักยภาพ ม, มากขึ้นเพิ่มขึ้กว่าเดิมแต่ว่าก็ยังคิดเหมือนเดิมว่าฉันทําไม่ได้หรอกนะ นะเอาบทเอาประสบการณ์จากอดีตเนี่ยมามาครอบงำนะพันธนาการตัวเองเอาไว้นะแต่ถ้าเราไม่ลองนะก็ไม่รู้นะอย่างเช่นวันนี้หลายคนก็ได้ลองนะแล้วก็พบว่าเอ้ยเราทำได้นะไอ้ที่เคยคิดว่าทำไม่ได้ทำไม่ได้เนี่ยมันเป็นแค่ความคิดแต่มันไม่ใช่ความจริงแล้วคนเราจะไม่พบความจริงจนกว่า จะได้ลองนะอย่างไรก็ตามเนี่ยนะเชื่อว่าที่หลายคนทำได้เนี่ยก็เพราะว่ามีหมู่มิตรนะมีหมู่มิตรเจ็ดสิบแคนรูร่วมร้อยนี่มาร่วมปฏิบัติเห็นคนอื่นทำได้นะเราก็ต้องทำได้สินะคนหนุ่มบางคนคนสาวบางคนนะก็รู้สึกว่าจะไม่ไหวนะแต่เห็นคนเท่า เขาทาได้หรือว่าพระบางรูปก็คิดว่าไม่ไหวแต่เห็นโยมทําไดนะ้ก็คิดว่าเขาทําได้ฉันก็ต้องทําได้สิอันนี้มันก็เป็นมาระ น, นะแต่เป็นมานณะที่เอามาใช้ประโยชน์ได้ก็คือทําให้ไม่ยอมแพ้นะก็ทําให้นะสามารถจะทําทความเพียร น, นะจนกระทั่งทําในสิ่งที่ตัวเองไม่คิดว่าจะทำได้ อันนี้เรียกว่าก้าวข้ามตนเองนะก้าวข้ามตนเองนะหรือว่าทวนกระแสค ว, ค, ความเคยชินความเคยชินซึ่งทำได้เพราะอาศัยเพื่อนนะนะเพื่อนนี่สำคัญมากนะในการที่จะเป็นกำลังใจหนุนให้เรานะสามารถจะทำสิ่งที่ทำได้ยากเป็นการสนับสนุนทั้งทางตรงและทางอ้อมนะพรเจ้ายงึงสรัสว่าเนะี่ยกรลยะนานมิตรเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์ หมายความว่าการจำนวนชี้อันประเสริฐจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศักะยกเรียนนมิตรอันนี้สําหรับปุถุชนทั่วไปนะพระโตตรเจ้านี่ท่านเป็นข้อยกเว้นเพราะพระองค์เนี่ยไม่มีกเรียะนนมิตเลยนะเรียกว่าสําเร็จอรหัตผลบรรลุปัสสาวะสัมปธิยานได้ด้วยพระองค์เองแต่ที่จริงก็มีปัจจัยหนุนช่วยเยอะแต่เป็นเรื่องอดีตนะกเรียะนนมิตเป็นทั้งหมดของพระห ม, มจรรย์ นะหมายถึงว่าการที่เราจะทาสิ่งดีงามได้นี่ต้องอาศัยกเระยะนนิมิตช่วยมาอย่างไรก็ตามนะเราก็ต้องก้าวข้ามไปถึงจุดที่ว่าแม้ไม่มีกระยะนนิมิตเราก็ยังสามารถทำได้นะนั่นก็หมายความว่าต่อไปเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่มีหมู่มิตรมาร่วมเดินกับเราแต่ถ้าหากว่าเราตั้งใจจะเดินคนเดียวนะ ปฏิบัติในสัจชิกข้ามคืนเราก็จะสามารถทำได้นะอันนี้ก็เป็นแบบฝึกหัดที่เชิญชวนให้พวกเราได้ลองทำกันต่อไปว่าถึงแม้ไม่มีเพื่อนมาเดินนะปฏิบัติทำข้ามคืนกับเราแต่เราก็จะทำที่กุตติของเราคนเดียวแล้วก็จ ะ, ะทำให้ได้นะ อันนี้มันก็ทําให้เราเนี่ยมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นนะเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นแล้วจะทําให้เรากล้าที่จะทําในสิ่งที่ยากดิ่งกว่าเดิมได้นะคนเราเนี่ยมันก็ต้องเริ่มทำนะจากสิ่งง่ายไปหายากนะแล้วก็ไม่อยู่กับที่วันนี้ทําได้เท่านี้พรุ่งนี้ก็จะทำให้มากกว่านี้นะ เพื่อที่เราจะได้มีประสบการณ์มีความมั่นใจมากขึ้นนะในการจะทําสิ่งที่ยากยิ่งกว่าเดิมนะถึงจุดนี้เราก็จะเรียกว่าพึ่งตัวเองได้นะไม่มีเพื่อนเราก็ทําได้หรือว่าบางทีคนรอบข้างเขาไม่เอื้อเฟือ้อไม่สนับสนุนนะเราก็ยังทําได้ สมัยที่หลวงพ่อคําเขียนท่านเป็นโยมแล้วก็ไปปฏิบัติกับหลวงพ่อเทียนนะเดือนสิงหาปีหนึ่งศนะเดือนสิงหาเนี่เป็นเดือนที่มีความสําคัญสําหรับชีวิตของหลวงพ่อคำเขียนเยอะนะท่านเกิดเดือนสิงหาแล้วก็มาได้ปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อเทียนจนกระทั่งเกิดความเปลี่ยนแปลงทางจิตนําไปสู่การบวชนะก็เดือนสิงหาแล้ว ท่านก็มรณภาพก็เดือนสิงหานะตอนที่ท่านไปปฏิบัติเกล่งพ่อเทียนตอนอยังเป็นโยมอยู่ส่วนใหญ่เป็นพระนะแล้วก็พระเห็นโยมนะก็บางครั้งก็ขอให้โยมนะไปช่วยทำนั่นทำนี่หน่อยไปช่วยไปเก็บหน่อไม้ให้หน่อยไปช่วยเก็บมะขามป้อมให้หน่อยนะท่านถูกพระใช้บ่อยนะ จกนกระทั่งรู้สึกมีความไม่พอใจขึ้นมาถึงขั้นว่าเนี่ยพระเหล่านี้เนี่ยดูไม่มีสีเลยนะเอาโน้นเอานี้นะเหล่านี้เป็นค า, ารวาสยังมีสีมากกว่าพอคิดแบบนี้ก็จิตใจก็หมองนะแล้วก็ทำให้เกิดท้อในการปฏิบัติแต่ตอนหลังท่านได้สติได้คิดขึ้นมาว่าอย่าไปสนใจเลย นะพระจะเป็นอย่างไรก็เป็นเรื่องของท่านนะหลวงพ่อซึ่งนั้นเป็นโยมบอกว่าจะขอดูแต่เฉพาะหลวงพ่อเทียนเท่านั้นแหละไม่ดูคนอื่นดูกับดูเฉพาะหลวงพ่อเทียนนะก็ทําให้เกิดกําลังใจในการปฏิบัติบางทีเราก็ต้องใช้วิธีนี้บ้างนะถ้าเกิดว่าไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่เกลือกูนนะอย่าไปงุดหงิดนะกับผู้คนแวดล้อมนะ เขาจะเป็นอย่างไรนะก็ไม่เอามารบกวนจิตใจอยู่หลายคนเมือนก็อยู่คนเดียวนี่พระเจ้าเคยตรัสไว้อยู่หลายคนก็ให้เหมือนกับอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวก็เหมือนก็อยู่หลายคนอยู่คนเดียวมันก็อยู่หลายคนหมาวาว่าไม่กลัวอยู่ป่าอยู่กุฏิคนเดียวนะก็เหมือนก็อยู่หลายคนก็คือทำให้เกิดความอบอุ่นนะอันนี้นะถ้าเกิดว่าเราได้มา มาเรียนรู้นะจากประสบการณ์ของเรานะในค่ำคืนนี้ก็เชื่อว่าจะมีอนิสงส์มากช่วงเวลานี้เนี่ยนะก็ถ้าย้อนถอยหลังไปหนึ่งปีเต็มเนี่ยนะมันเป็นช่วงที่หลวงพ่อนะกำลังอยู่ในระยะสุดท้ายนะของชีวิตนะเป็นช่วงที่ท่านมีทุกขเวทนามากนะ อาจารย์ตุ้มก็ได้นะได้เล่าให้พวกเราฟังแล้วนะว่ า, าช่วงสิบนาทีสุดท้ายของหลวงพอ่อเป็นอย่างไรนะแม้ว่าท่านจะมีทุกขเวทนามากเพราะว่าโรคนะแล้วก็ประกอบกับไอเนื้อที่เนื้อที่หลอดลมเนี่ยมัน มันโตแล้วก็มันกำลังปิดหลอดลมทำให้หายใจไม่สะดวกการหายใจไม่สะดวกนี่ก็เป็นทุกขเวทนามากนะแต่หลวงพ่อทีนะ่ท่านนิ่งมากนะมีสติโดยตลอดไม่มีอาการทุรนทุรายนะกิจสุดท้า ย, ท, ายท้ายที่ท่านทำก็คือเข้าห้องน้ำนะเข้าห้องน้ำถ่ายหนักแล้วก็เสร็จแล้วก็ล้างมือล้างหน้าแล้วก็ขึ้นมาบนเตียง โดยที่ไม่มีใครพยุงท่านขึ้นมาของท่านเองส่วนลูกศิษย์ก็พยายามมารุมมตุ้มนะเพื่อที่จะช่วยทำให้กล้ามเนื้อไอ้เนื้อเนี่ยมันหดท่านจะได้หายใจสะดวกแต่ไม่เป็นผลช่วงนั้นเป็นช่วงความเป็นความตายมากและหลวงพ่อท่านก็รู้ว่าสังขารเนี่ยนะมันไม่สามารถจะเป็นต่อไปได้นะและท่านก็ยอมรับความตาย นะพอท่านพร้อมเสมอท่านก็ขอกระดาษขอดินสอมาแล้วก็เขียนข้อความนะพวกเราขอให้หลวงพ่อตายนะอันนี้เขียนเพื่อให้ลูกศิษย์ได้ได้ยอมรับว่าเนี่ยทำอะไรไม่ได้แล้วนะกับร่างกายนี้ให้หลวงพ่อได้ตายดีกว่านะท่านวางดินสอยืน่น กระดาษให้ลูกศิษย์นะเสร็จแล้วท่านก็พนมมือที่จริงท่านพนมือเป็นประจำนะเพื่อแสดงความขอบคุณแต่พนมมือวันนั้นเนี่ยนะคงมีความหมายถึงการลาด้วยนะแต่ว่าลูกศิษย์ผู้ดูแลก็ไม่เข้าใจนะข้อความที่ท่านเขียนก็อ่านไม่ค่อยออกด้วยเพราะว่า อย่างที่อาจารย์ตุ้มว่าสังขารร่างกายตอนนั้นเนี่ยมันก็เขียนได้เท่านี้แหละนะก็คือเขียนหวัดนะพอท่านยืน่นพระท่านพท่านรุ ม, มือเสร็จนะท่านก็หลับนะหลับเหมือนกับหลับสบายแล้วสักพักนะตาก็เหมือนกับว่าแข็งชว่วแว บ, บเดียวแล้วก็หลังนั้นก็ขอตกนะผู้ภาษาชาวบ้านคือว่าสิ้นลม นั้นถ้ารู้ตัวเกือบจะตลอดนะแล้วก็พอถึงเวลาที่จะต้องไปนะก็ไปอย่างสงบนะไม่มีการทุรนทุรายนะอันนี้เป็นการตายนะที่น่าประทับใจมากนะจะเรียกเป็นการตายที่งดงามก็ได้แม้ว่าจันำามาซึ่งความเศร้าโศกอาลัยของลูกศิษย์นะแต่ว่า ก็เป็นแบบอย่างนะของอนักปฏิบัติธรรมมีครูบาอาจารย์หลายท่านนะที่ท่านมรณภาพรักสังขารนะด้วยวด้วยอาการที่สงบนะแล้วก็บางทีก็ด้วยอาการที่แปลกหลวงปู่เสากันตาสีโลนะท่านอาภาษตอนที่ทุดงแล้วก็อาภาษหนักนะ ก็ต้องอาหามท่านเข้าเมืองเพื่อรักษาแต่ท่านไม่ไม่ไม่ไมตั้งใจจะรักษาแล้วเพราะรู้ว่าอาการหนักมากตลอดทางท่านก็หลับตาตลอดนะแต่ก็ไม่ได้หมดสตินะก็คงจะทําสมาธินะพอเข้าเมืองท่านก็บอกว่าเนี่ยพาท่านไปอุโบสถนะเข้าไปในวัดนะท่านเข้าไปทําไมนะ ท่านก็ไปเพื่อเช่นนั่งสมาธิเสร็จแล้วก็กราบกราบพระพระทุทธรูปสามครั้งพอกราบสามครั้งเสร็จนะท่านก็นิ่งเลยนะนิ่งในท่ากราบนี่แหละก้มกราบลูกศิษย์ก็แปลกใจว้ททำไมท่านกราบในท่านั้นนานเหลือเกินปอกกว่าท่านละสังขารไปซะละนะ มีความรู้ตัวเกือบตลอดนะแล้วก็สามารถจะกราบได้คือถ้าไม่รู้สึกตัวก็กราบไม่ได้นะและพอกราบปุ๊บก็ไปเลยนะหลวงปู่ดุลนะท่านอายุเก้าสิบหกท่านป่วยแค่สองวันเองนะแล้วก็ท่านก็ไม่ไปโรงพยาบาลด้วยบอกไม่ต้องไปแล้วเพราะท่านรู้ว่าไปคราวนี้ไม่หายแน่ ตีสองของวันสุดท้ายท่านเนี่ยก็ยังให้พระเนี่ยสวดมนต์นะและท่านก็แสดงธรรมนะเรื่องนิพพานนะแสดงธรรมยาวเลยนะเสร็จ แ, แล้วพอตีสามท่านก็หลับตาเหมือนกับหลับนิ่งลมหายใจหายใจเบาๆพอตีสี่ปรากฏว่าลมหายใจหยุดหายไปแล้วไม่รู้หายไปตอนไหน ไม่มีอาการทุรนทุรายแล้วก็เรียกว่ามีความรู้ตัวนะเกือบจะตลอดนะสามารถจะแสดงธรรมได้คือเวลาเราเวลาเร า, เามีประสบการณ์เกี่ยวเรื่องคนตายอยู่บ้างเนี่ยโดยผู้ป่วยระยสุดท้ายเนี่ยเราจะพบว่าจำนวนมากก็ตายแบบทุรนทุรายหรือมิฉะนั้นก็โคมา่าพักใหญ่อาจจะโคม่า สองสามชั่วโมงโคมา่าหนึ่งวันกว่าจะสิ้นลมนะแต่ก็มีหลายท่านนะที่สามารถที่จะพูดได้ทำอะไรได้ด้วยความรู้สึกตัวแล้วก็ช่วงเวลาผ่านไปแค่ไม่กี่วินาทีก็หมดลมไปซะละนะอันนี้มันไม่ใช่เป็นความบังเอิญ น, นะแต่ว่ามันเป็นผลแห่งการปฏิบัติซึ่ง ไม่ใช่แต่พระเท่า น, นั้นที่ทําได้นะญาติโยมถ้าปฏิบัตินะก็ทําได้เหมือนกันได้อ่านเรื่องราวของ อ, อุบาสิกาท่านหนึ่งนะชื่อว่าคุณหญิงใหญ่นะดำรงธรรมศาสรอันท่านนี้สําคัญนะแล้วก็เพิ่งมาเป็นที่รู้จักกันเมื่อไม่นานมานี้ที่เป็นที่รู้จักก็เพราะว่าหนังสือของท่านเนี่ยที่มีการตีพินพ์แพร่หลาย ในช่วง 20-30 ปีที่ผ่านมาแล้วเขาเคยคิดว่าเป็นปุจชาวิสัชนาระหว่างลูกศิษย์กับหลวงปู่มั่นนะหลายคนคิดว่าเนี่ยผู้วิสัชนาคือหลวงปู่มั่นนะก็พิมพ์กงินใหญ่เลยมาเพิ่งมาค้นพบว่าไม่ใช่หลวงปู่มั่นนะนะเป็นคุณหญิงใหญ่นี่แหละนะอุบาสิกาแต่ว่าถ้าเป็นคนที่มีความรู้ ในทางปริยัติแล้วก็มีการปฏิบัตินะที่ก้าวหน้ามากทีเดียวนะแม้กระทั่งพระนี่ก็นับถือนะนะพระในพระผู้ใหญ่เนี่ยนับถือว่าท่านเนี่ยเป็นผู้ที่มีทรงภูมิแต่ว่าเขียนหนังสือเนี่ยก็ไม่ไม่ลงชื่ออาจจะเป็นเพราะไม่ต้องการปร ะ, ปร ะ, ปร ะ, ประกาศตัวนะหรืออาจจะเป็นเพราะว่า อคติของคนสมัยนั้นว่าผู้หญิงไม่รู้ธรรมะหรอกนะผู้หญิงก็ได้แต่ได้แต่ทาบุญนะใส่บาตรแต่ว่าเพิ่งมารู้เมื่อไม่กี่ปีนี่แหละ ว, ว่านังสือธรรมานุธรรมปฏิบัติเนี่ยที่ใครคิดว่าหลวงปู่มั่นเนี่ยนะเป็นผู้ิิวิสัชชนานี่ไม่ใช่เลยตอนที่ท่านจะสิ้นลมเนี่ยอายุห้าิบนี ป่วยหนักนะบวชชีแล้วบวชชีได้สองสมปีหลังจากที่สามีเสียชีวิตก็บวชชีเลยนะวันสุดท้ายเนี่ยหมอมาตรวจหมอก็บอกว่ายังอยู่ได้นานแต่ว่าคุณหญิงใหญ่แม่ชีเนี่ยบอกว่าหมออย่ามาปลอบใจฉันเลยนะคือรู้ตัวเองนะว่าคงจะใกล้ละแล้วก็ใกล้ ม, มากๆด้วย ก็บอกว่าช่วยนิมนต์พระมาหน่อยนิมนต์พระที่รู้จักพอพระมาท่านก็บอกว่าเนี่ยสวดมนต์ให้หน่อยนะแล้วท่านก็บอกบทที่สวด น, นะว่าให้สวดบทไหนบ้างก็บทยากๆเท่านั้นแหละธรรมาจักกัปตนะสูตรอนัตตลกนะสูตรนะปฏิจจสมุปบาทเลยเนี่ยนะพระสวดเสร็จก็สนทนาธรรมกันสนทนาธรรมสักพักคุณเนี่ยก็บอกว่า จะขอกราบพระแล้วระหว่างที่กราบพระก็บอกว่าขอทิ้งสังขารไว้ที่นี่ขอทิ้งสังขารไว้ตรงนี้กราบสามครั้งนะแล้วก็แน่นิ่งไปเลยพระนี่ที่แรกนึกว่าท่านเป็นลมไปหรือเปล่านะพอรู้ว่าสิ้นลมแล้วยังพูดอุดทานึ้นหมืเลยว่านี่ตายจริงๆหรือเนี่ยนะกราบพระเสร็จไปเลยนะอาการค้าย หลวงปู่เสาเนี่ยนิยมนะเป็นแม่ชีนะเพราะฉะนั้นนี่เรื่องการตายสงบเนี่ยนะตายในอาการแบบนี้เนี่ยนะมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเป็นพระเป็นโยมเป็นแม่ชีนะทําได้ทั้งนั้นถ้าว่าปฏิบัติถ้าหลวงพ่อของเราเนี่ยนั้นท่านก็นะก็ได้แสดงให้เห็นนะถึงอ่า การที่ท่านได้เข้าใจในศัจจธรรมความจริงจนกระทั่งไม่มีความกลัวเรื่องความตายเลยความตายสำหรับท่านเนี่ยคงไม่ต่างจากหมานะเห่าช้างนะหลวงพ่อท่านเคยเปรียบเทียบเส ม, มอหมาเห่าช้างหมาเนี่ยมันคิดว่ามันมันมันน่ากลัวนะมันมีอมนาจนะและมันก็ขู่ช้างนะ แต่ช้างเนี่ยไม่สะดุ้งสะเทือนเพราะรู้ว่าหมานี่มันเล็กน้อยมากความตายนี่เปลี่ยนเหมือนกับหมานะหลวงพ่อนี่เหมือนกับช้างนะท่านไม่มีความรู้สึกกลัวเลยความตายมันจะอาจจะดูน่ากลัวในสายตางคนอื่นนะแต่ว่าท่านไม่กลัวแล้วก็เรียกว่าท่านยอมรับได้ด้วยซ้ํา อะไรที่ทำให้ท่านเนี่ยสามารถที่จะละสังขารไปได้ด้วยอาการเช่นนี้นะถ้าตอบง่ายๆก็คือเพราะว่าเมื่อท่านป่วยเนี่ยท่านก็รู้วิธีที่จะป่วยอย่างสงบนะนะท่านเคยพูดว่าสนุกป่วยด้วยซ้ำนะตอนที่ท่านป่วยเนี่ยท่านท่านก็นิ่งมากนะแม้ว่าจะมีทุกขเวทนามาก หมอเคยกดนะตรงตอนที่ท่านป่วยครั้งแรกเนี่ยหมอเคยกดที่ท้องท่านซึ่งบวมหมอถามว่าเจ็บไหมหลวงพ่อบอกเจ็บเกินร้อยแล้วทําไมไม่ร้องละนะ่ะหมอถามหลวงพ่อก็ตอบว่าปวดแล้วจะร้องทําไมให้ขาดทุนนะแล้วท่านก็ต่อหลังท่านก็อธิบายต่อไปว่าเนี่ยไอความปวดเนี่ยนะ มันไม่ลงโทษเราหรอกมันไม่เท่าไหรหรอกไอ้ความเป็นผู้ปวดต่างหากที่มันลงโทษเรานะความปวดมันไม่ลงโทษเราเท่าไหรนะแต่ความเป็นผู้ปวดนี่แหละลงโทษเราแล้วท่านก็พูดต่อไปว่าเนี่ยอาการปรวดเนี่ยมันมีไว้เห็นนะไม่ใช่มีไว้เป็นนะนี่ท่านรับมือความปวดรับมือความเจ็บป่วยด้วยอาการแบบนี้เมื่อรับมือความเจ็บป่วยด้วย การเป็นผู้เห็นนะไม่ใช่ผู้เป็นนะถึงเวลาตายนะท่านก็สามารถจะตายในอาการอย่างที่ว่ามาได้นะมันเป็นขั้นเป็นตอนมันมีความสืบเนื่องนะนะตายสงบได้เพราะว่าป่วยเนะี่ยตอนที่ป่วยนะีนยนะ่ก็ป่วยโดยถ้าพูดอีกสำนวนคือป่วยกายแต่ใจไม่ป่วยนะและอะไรที่ทำให้ท่านสามารถจะป่วยแบบนั้นได้นะ ก็ต้องตอบว่าเพราะว่าเวลาท่านอยู่เวลาท่านเป็นปกตินะท่านอยู่อย่างมีสตินะดูอย่างเรียกว่าเห็นนะดูมีแต่ภาวะที่ดูภวะที่เป็นภวะที่เห็นนะไม่เข้าไปเป็นกับอะไรเลยนะนะ คือจะป่วยแบบนี้ได้เนี่ยป่วยโดยที่ใจไม่ป่วยเนี่ยมันก็ต้องเกิดจากการปฏิบัติในชีวิตประจำวันจนกระทั่งมันอยู่กับเนื้อกับตัวนะมีแต่ภาวะที่ดูภาวะที่เห็นนะไม่เข้าไปเป็ น, ปนบางคนหลายคนเนี่ยอยากจะเวลาป่วยก็อยากจะป่วยกายแต่ใจไม่ป่วยแต่เวลาตอนปกติเวลาชีวิตประจำวันเนี่ยก็ไม่ได้คิดที่จะฝึกเลยนะ เข้าไปเป็นอยู่แตพึตพือนะถ้าหากว่าเข้าไปเป็นอยู่แตพึ่งือเนี่ยนะเวลาป่วยเนี่ยมันก็เป็นผู้ป่วยนะแล้วเวลาตายนะมันก็จะกลัวเพราะรู้สึกสำคัญมั่หมายว่ากูกำลังจะตายหรือเนี่ยนะมันมีความรู้สึกว่ามีผู้ตายนะแต่สาลงพ่อเนี่ยนะไม่มีผู้ตายไม่มีใครตายนะ เตียงของหลวงพ่อเนี่ยนะในค่ำคืนนี้พวกเราก็คงเห็นนะเป็นเตียงที่ว่างเปล่านะความว่างเปล่าเนี่ยมันบอกอะไรเรานะมันเหมือนกับจะบอกว่าไม่มีใครป่วยไม่มีใครตายนะและที่จริงมันไม่ได้เป็นไอ้ไม่มีใครป่วยไม่มีใครตายเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อหลวงพ่อท่านลาสังขารไปแล้วนะแต่ตอนที่ท่านป่วยเนี่ยนะ ก็ไม่มีความสําคัญมั่นหมายว่าฉันป่วยได้วยซ้ำปูอนะย่านก็คือว่าท่านไม่เป็นอะไรกับอะไรนะเมื่ออยู่ก็อยู่อย่างไม่เป็นอะไรกับอะไรครั้นป่วยก็ป่วยแบบไม่เป็นอะไรกับอะไรและถึงเวลาตายนะก็ไม่เป็นอะไรกับอะไรไม่มีใครไม่มีใครตายไม่มีผู้ตายได้ซ้ํา มีแต่กายนะที่แตกดับไปนะอันนี้ก็อยากจะให้เราได้ถ้าว่าเราอยากจะจากไปนะอย่างหลวงพ่อเนี่ยก็คอยมองตลอดสายนะว่าที่ท่านทําทำอย่างนั้นได้เพราะว่าเวลาท่านป่วยนะท่านป่วยโดยไม่เป็นอะไรกับอะไรหรือท่านป่วยแต่กายใจไม่ป่วยท่านป่วยอย่างมีสติ และถ้าอยากจะป่วยอย่างท่านได้ก็ต้องสาวไปดูที่ว่าตอนที่ท่านอยู่นะตอนที่ท่านมีชีวิตปกตินะมีสุขภาพดนะีท่านก็อยู่อย่างมีสตินะนี่ก็เป็นเวลาตีห้านะหลวงพ่อท่านก็มรณภาพนะช่วงนี้แหละนะช่วงเวลานี้แหละจาได้ว่าวันนั้นเนี่ยอาตมาก็แสดงธรรมนะ แสดงทำเสร็จโดยที่ไม่รู้ว่าเมียวฉือเนี่ยรออยู่เมียวฉือถูกส่งมาเพื่อที่มาบะอกตามาว่าหลวงพ่อนี่หนักแล้วก็ไม่รู้นะแสดงทำเสร็จลงไปข้างล่างเมียวฉือบอกว่าหลวงพ่อกําลังอาการหนักนะก็เลยรีบไปที่อกุติไปถึงก็เจอโยมนิดบอกว่าหลวงพ่อไม่หายใจแล้วนะจําได้ว่าตอนที่พูดจบเนี่ยประมาณนี่แหละตีห้า ที่จริงท่านไปนะก่อนนานัน้นน า, นนานที2นานทีแล้วก็คือประมาณเนี่ยจากที่อาจารย์ตุ้มเล่าประมาณ4ี9่นาทีก็เป็นช่วงเวลานี้พอดีนะนันก็เมื่อถึงเวลาอย่างนี้เนี่ยคิดว่าถ้าเราทำความสงบใจสักพักนะเพื่อระลึกถึงคำสอนของหลวงพ่อระลึกถึงแบบอย่างที่ท่านได้ให้กับเรา ก็คิดว่าจะเหมาะกับโอกาสก็ขอนิมนต์ก็ขอเชิญชวนผู้เราทำความสงบใจสักพักเพื่ อ, อลำลึกถึงหลวงพ่อในแง่ดังกล่า ว, <c oughs> วก็พอสมควรกับเวลานะตอนนี้ก็ได้เวลาที่ญาติโยมพ่อไม่ออกก็จะลาสิ้นแล้วก็ก็เชิญ